สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีิจพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากชุภาศิทครั้งที่สามสิบห้าเรื่องพระเจ้าทรงเฝ้ามองพระเจ้าทรงเฝ้ามองโภชนะของพระเจ้าอยู่ในชุพาศิบที่ยี่สิบข้อที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงข้อที่ยี่สิบสามชุภาศิบที่ยี่สิบข้อยี่เอ็ดถึงข้อยีิบสามนะครับโปรดฟังโภจนะของพระเจ้า บุตรชายของเราเอย๋ยเจ้าจะเคลือบเคลิ้มอยู่กับหญิงชั่วทําไมเล่าและโอบกอดอกของนางฉันจรอยู่ทําไมเพราะว่าทางของคนก็อยู่ในสายพระเนตรพระเจ้าและพระองค์ทรงเฝ้าดูวิถีทั้งสิ้นของเขาความบาปชั่วของคนชั่วร้ายดักเขาเองและเขาก็ติดอยู่กับตากายบาปของเขาเขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิตและเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขา เขาจึงหลงจนไปเพียงนครับในเช้าวันนี้อยากจะให้ข้อท่องจํานะครับจากพ ร, าะะกระเจ้าของพระเจ้าคือวลีที่ว่าเขาตายเพราะขาดวิตไนในชีวิตแน่นอนครับคนเรานั้นตายเพราะขาดวิตไนจริงๆใครก็ตามที่ไม่มีวิตไนคนคนนั้นจะอยู่ไม่ได้คนคนนั้นจะตายเขาบอกวิตไนนั้นมีความหมายว่าย่งไรครับ วินัยนั้นมีความหมายในภาษาฮีบรูแปลว่าคําสั่งสอนคนเรานั้นหากขาดคําสั่งสอนคําสั่งสอนจากคุณพ่อคุณแม่คําสั่งสอนจากสังคมผู้หลักผู้ใหญ่คําสั่งสอนที่ตัวเองคิดขึ้นมาเองหรือแม้กระทั่งรวมถึงความคําสั่งสอนของพระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่า คำสั่งสอนต่างๆนี้จะสร้างชีวิตหรือปรับเปลี่ยนชีวิตหรือตกแต่งชีวิตของเราได้พี่น้องครับและที่สำคัญที่สุดคําสั่งสอนที่อยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้หมายถึงคําสั่งสอนของพระเจ้าคําสั่งสอนของพระเจ้าและคําสั่งสอนที่มาจากคุณพ่อคุณแม่กระสักโซมอนได้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้ให้กับลูกหลานของท่าน และท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกหลานของท่านนั้นจะเก็บคำส่อนนี้แล้วจะทำให้มันเกิดเป็นจริงเป็นจังในชีวิตโดยการฝึกฝนซึ่งแปลว่าวิไนการฝึกฝ น, ก า, ฝ ก, ฝนการฝึกหัดการเล่าเรียนการรับความรู้มีความหมายรวมเป็นวิไนคาว่าวิไนก็คือความสม่ำเสมอในการดำเาเรียนความสม่าเสมอในการฝึกฝน ตนในทางของพระเจ้าโดยพระเจนะของพระองค์และได้รับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือความหมายคําว่าวิไนพี่น้องครับเรากลับมาดูนะครับว่าพระเจ้าทรงเฝ้ามองวิถีชีวิตของคนพระองค์ก็เห็นความจริงเพราะว่าการเฝ้ามองของพระองค์นั้นทำให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องเชื่อฟังพระองค์เป็นอย่างยิ่ง เราเห็นนะครับว่าชีวิตของเราที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานั้นเป็นชีวิตที่อยู่บนความสัมพันธ์เหตุที่พระเจ้าทรงรักเราพระองค์จึงทรงเฝ้าดูชีวิตของเราครับการที่พระเจ้ารักเราพระองค์จึงเฝ้าดูชีวิตของเราแล้วเราต้องเข้าใจว่าโดยพื้นฐานแล้วชีวิตนั้นคือความสัมพันธ์พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้อยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์มนุษย์จะต้องสัมพันธ์กันเองระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ และมนุษย์จะต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างหรือโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆพืชต้นไม้ต้องรักษามาให้ดีและสภาวะต่างๆในโลกนี้นี่คือความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสิ่งแวดล้อมหรือโลกสีเขียวนี่คือความสัมพันธ์ที่มนุษย์จะต้องรับผิดชอบและดูแลครอบครองมัน และที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามนุษย์จะต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยเป็นความสั <ure Admiral pergi king> มพันธ์ที่พระเจ้าโปรดปรานและมนุษย์จะมีความสุขพี่น้องครับความอุดมสมบูรณ์หรือความสำเร็จของความสัมพันธ์นั้นเกิดจากความรักครับความรักนั้นเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่สุดที่มนุษย์จาเป็นจะต้องมีเพื่อที่จะตอบสนองและใช้ยัลงความสัมพันธ์นั้น เพราะเหตุที่ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นความรักมนุษย์กินขาดความรักไม่ได้มนุษย์นั้นจะต้องรักตัวเองรักเพื่อนบ้านและที่สําคัญที่สุดคือรักพระเจ้าพี่น้องครับคนขับสนในความหมายของพระกัมภี์นั้นไม่เพียงแต่เป็นการขับสนทางด้านกายภาพขับสนในเรื่องของไม่มีที่อยู่ที่กินแต่พระกัมภีร์ยังรวมถึงความขับสนทางด้านจิตภาพด้วยครับก็คือความขับสนในด้านของความสัมพันธ์ ของชีวิตมนุษย์ของเขาเองนั้นกับคนอื่นๆและกับพระเจ้าเราจะเห็นนะครับว่าคนที่ไร้กำใจนะครับเขาก็ไม่เอาคนอื่นเอาเฉพาะตัวเองคนที่ขัดสนทางด้านไฟจิตใจเขาก็จะแยกตัวเองออกเขาจะไม่พยายามสร้างความสัมพันธ์ของเขากับคนอื่นอั น, อนนี้คือความขัดสนในข้อ21ครับ เพราะว่าทางของคนก็สําคัญและอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงเฝ้าดูพี่น้องครับพระเจ้าเฝ้าดูชีวิตของเราครับและยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าเฝ้าดูชีวิตของเราด้วยค่าทีแห่งความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราและพระองค์ทรงเตือนเราครับพรงพิเคราะห์วิเคราะห์พินิจชีวิตของเราพระองค์ทรงห่วงใยเราเพราะพระองค์ทรงรักเรา พงจงทรงให้ความสำคัญกับเราอย่างมากเลยทีเดียวแต่การเฝ้าดูของพระเจ้านั้นก็ถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดพลาดฉะนั้นมนุษย์จึงต้องตระหนักอยู่สามอย่างด้วยกันครับตั้งแต่ข้อที่ยี่สิบจนถึงข้อที่ยี่ิบสามนี่ครับอย่างแรกหรือประการแรกก็คือว่าอยาเคริบเคลมหลงไหลอ ย, อยู่กับตัญหาฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังยาเคริบเคลมหรื อ, อยายึดติดยึดตัวเองติดกับ ความหลงไหลเรื่องความบาปทางเพศขอให้เลิอกอย่าเคลิบเคลิมครับความบาปทางเพศในเพิ่มปีนั้นมีอยู่สองคำใหญ่ๆด้วยกันครับคำแรกคือ Fornication F O R N I C A T I O N คำที่สองก็คือ Adultery A D U L T E R Y A D U L T E R Y Adultery คำว่า Fornication นั้น ก็คือหมายถึงการประพฤติผิดทางเพศประพฤติผิดจากรูปแบบที่พระเจ้ากำหนดไว้ประพฤติผิดทางเพศที่เกี่ยวข้องกับน้ําัไทยของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของโมเสสในพัะคัมภีร์เดิมนั่นหมายความว่าเป็นความประพฤติผิดทางเพศโดยรวมนะครับแต่คำว่า adultery มีความหมายลงลึกกว่าในแง่ของเฉพาะเจาะจง ซึ่งพระกัมพีแปลว่าการผิดประเวณีการผิดประเวณีนั้นหมายถึงการมีความสัมพันธ์นะครับทางเพศนอกการสมรสครับการผิดประเวณีหรือออดออรีนั้นหมายถึงการมีความสัมพันธ์ทางเพศนอกชีวิตสมรสไม่เพียงแต่เท่านั้นครับพระกัมพียังรวมถึงความบาปทางเพศอื่นๆด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงความบาปทางเพศ เพิ่มีรวมถึงความวิตกทางเพศระหว่างชายกับชายหญิงกับหญิงเพราะนี่เป็นปการแรกครับเราจะต้องหลีกเลี่ยงเราจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะพระเจ้าทรงเฝ้าดูชีวิตของเราพระเจ้ารู้ปลายทางของคนเหล่านี้ครับว่ามันมีแต่ความยุ่งยากและในสุดเขาจะต้องเสียชีวิตของเขานะครับเสียชีวิตของเขาหมดไปกับสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้ จนงอหัวไม่ขึ้นยา เ, ค, เ ค, ายครืบเครื่อหลงไหลครับประการที่สองครับคนอธรรมและคนชั่วร้ายจะพบกับการตอบสนองของความบาปที่จะมาถึงตัวเขาเองในที่สุดคนชั่วจะรับการตอบสนองของความบาด้วยตัวเองความบาปและความชั่วนั้นจะเป็นกับดักชีวิตของเขาครับและเป็นตาข่ายล้อมจับ มัดชีวิตของเขาเองจนดิ้นไม่หลุดและในที่สุดเขาก็ตกเป็นเหยื่อของความชั่วร้ายเองประการที่สามครับการเฝ้ามองของพระเจ้าพระองค์ทรงเห็นว่าคนชั่วร้ายตายเพราะขาดวินัยในชีวิตคนชั่วร้ายนั้นจะหลงไปจากทางที่ถูกต้องเพราะความโง่ของเขาพี่น้องครับวินัยผมบอกไปแล้วนะครับวินัยคือคําสั่งสอนวินัยคือการฝึกฝนฝึกฝนตน ในทางของพระเจ้ารับคําสั่งสอนในพรชนะของพระองค์การไม่รู้หรือความโง่าบ้างพีใช้คาว่าความโง่นั้นหมายถึงความไม่รู้รวมถึงการปฏิเสธไม่อยากรู้รวมถึงการดื้อรั้นรวมรวมถึงการคิดว่าตนเองถูกเสมอสิ่งต่างเหล่านี้ครับทำให้มนุษย์นั้นหลงจนไปจากพระเจ้าไปไม่ถึงความครบถ้วนบริบูรณ์ดังนั้นเองครับพี่น้องครับ เราจึงจำเป็นที่ต้องระมัดระวังและมอบทางของเราให้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเฝ้าดูและห่วงใยชีวิตของเราเสมอแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ให้เรารู้นะครับว่าเราจะต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของความผิดบาปทางเพศเราจะต้องฝึกวินัยชีวิตของเราให้ดีอย่าเคิบเคลิมอย่าลหลงไหลอยู่กับปัญหาของร่างกายและอย่าวางกับดักชีวิตของเราด้วยการทาชั่วครับ และในที่สุดในการที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตเราต้องเอาพระเจ้ามาก่อนเอาพระวจนะของพระเจ้ามาก่อนเอาการเตือนสอนของพระองมาก่อนและทําให้ชีวิตของเรานั้นมีวิ น, นัยฝึกตนในทางธรรมในทางของพระเจ้าและในพระวจนะของพระองค์และการช่วยเหลือที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน